ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่รักษาศีลเพื่อปรารถนาพภกัพย์ก็เหมือนกันปรารถนาความมั่งมีเนี่ยนะก็รักษาศีลเหล่านี้ก็เป็นศีลอย่างเลวเหมือนกันส่วนศีลที่บุคคลทำให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความหลุดพ้นของตนชื่อว่ามัชิมาศีลถ้าใครโอ้ยฉันต้องการพ้นทุกอย่างเดียวว่างั้นเถอะที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อความพ้นทุกอย่างเดียวเฉพาะตัว นนโนเนมก็เอาขอให้บรรลุบางงานจะบางคนไม่ได้นะต้องเอธะทะคะอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยบางคนไม่ได้โอ้ปัจเจกสิถึงอย่างนี้ก็เรียกว่ามัชชิมศีลอันนี้ปานกลางส่วนปรมิตาศีนปรมิตาก็คือความเป็นบารมีนะศีลที่ถึงความเป็นบารมีที่พระโพธิสัตว์ทำให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความหลุดพ้นของสัตว์ทางปวงชื่อวปณีตศีลเนี่ยนะ ก็บอกว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อปลดเปลื่องสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องผูกคือสังสารวัตเนี่ยนะโอ้เราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยใช่ไหมเรานิพานแล้วจะให้คนอื่นนิพานด้วยเราข้ามแล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยลักษณะนี้แหละโอ้ใครที่รักษาศีลปาตยนาอย่างเดียวมันข้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าจะต้องมีศีลลบารมีเป็นต้นนั่นแหละทําให้บรรลุเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นศีลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นปณีตศีลเป็นศีลที่เป็นสัมภาระเพื่อความพนทุกข์แก่สัตว์อื่นและก็เป็นพุทธกาลกถาธรรมเป็นศีลที่ทําให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่าบารมีตาศีลหรือศีลที่เป็นบารมีเนี่ยนะก็คือศีลที่อยู่ในขั้นบารมีเช่นศีลของพระมหาโพธิสัตว์เออโพธิสัตมนี้มีเยอะนะเช่นสาวกโพธิสัตว์ ปัจเจกโพธิสัตว์แล้วก็มหาโพธิสัตว์ถ้าหากว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุอริยสัจเนี่ยนะคนนั้นก็ชื่อว่าโพธิสัตว์แล้วล่ะแต่ถ้าบรรลุเฉพาะตัวเฉยๆอันนี้ก็เป็นสาวกกับโพธิสัตว์เพราะว่าโพธิแปลว่าความตรัสรู้ใช่ไหมสัตว์ก็คือสัตว์สัตว์ที่ทําบุญเพื่อความตรัสรู้นะโพธินี่แปลว่าความตรัสรู้นะหรือโพธินี่แปลว่าฉลาดก็ได้โพธิสัตว์ก็คือสัตว์ที่ฉลาด นะแต่ฉลาดแบบสาวกอ่ะ น, นะงนั้นโพธิสัตว์นี่แปลว่าสัตว์ที่ฉลาดทานของเราถ้าตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะเป็นสาวกก็ฉลาดแบบสาวกกันนะฉลาดที่จะฟังแล้วก็เข้าใจแทงตลอดอริยสัตว์ตรัสรูร้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าหากว่าปรารถนาเพื่อความตรัสรู้เองบรรลุเองอันนี้ก็เป็นปัจเจกโพธิสัตว์แล้วก็มหาสัตว์ เนี่ยมหาโพธิสัตว์อย่างไงเพราะฉะนั้นศีลของพระมหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นศีลบารมีศีลและบารมีของท่านเนี่ยนะที่ท่านรักษากําหนดด้วยความกรุณาเพราะความที่ท่านมีกรุณาต่อสตธ์ทั้งหลายและก็อุบา ย, ยโกศลความฉลาดในอุบายปรารบมหาโพธิญาณให้เป็นไป อ, า, อาศัยศีลที่มีความหวังดีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ กุศลศีลอันนี้ตั้งความปรารถนาเพื่ออรหัตตมักที่เป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณเพราะฉะนั้นศีลอย่างนี้มีความสะอาดและมีความขัดเกลาอันถึงขั้นอุกฤษเป็นอย่างนิ่งนะนะก็บอกว่าศีลของท่านเนี่ยท่านรักษาเสมอด้วยชีวิตถ้าหากว่าศีลบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ท่านสมาทานเนี่ยท่านทาไงนะท่านสมาทานว่า พระพุทธเจ้าพูดแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ก่อนๆก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเนี่ยนะที่ท่านบรรลุโพธิญาณคือบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระองค์บำเพ็ญศีลแบารมีท่านจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันถ้าหากว่าท่านปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็นะบอกตัวเองนะมเช่นสุเมศบัณฑิตก็บอกว่าท่านสุมเมศบัณฑิตถ้าหากว่าท่านปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะต้องรักษาศีลนะแล้วก็อุปมาอะไรนะเหมือนอย่างว่าใช่ไหมจามารีที่รักษาขนหางเนี่ยนะถ้าหากว่าขนหางขาดอยู่ที่ไหนก็ย้อมตาอยู่ตรงนั้นฉันไดเพราะฉะนั้นท่านก็รักษาศีลแบบนั้นแหละถ้าหากว่าท่านปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านท่านก็รักษาศีลเหมือนจามารีรักษาขนหางชายตาบอดหรือตาข้างหนึ่งรักตาดวงตารักษาตาข้างหนึ่งแม่ที่มีลูกคนเดียวเฝ้าธนุถนอมลูกคนเดียวก็รักษาศีลอย่างนั้นแหละนะของเราเมื่อไหร่จะเห็นศีลแบบนั้นเนาะถ้าเห็นแบบนั้นนี่ใกล้จะได้ดีแล้วล่ะที่ยิงศีลอยู่ที่ไหนเนาะเออเมื่อก่อนนี้ถามว่าศีลคืออะไรก่อนอันนี้ถามว่าศีลอยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่จิตเจตสิกเนาะ อ๋อเข้าใจาแล้วสาธุ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปามองหาที่อื่นกันแล้วกันถามหาที่ใจเราอะนะถ้าใจเป็นแบบนี้บ่อยๆถ้าเป็นบ่อยเท่าไหร่ศีลก็มีบ่อยเท่านั้นแหละถ้าคิดแบบที่ว่าเลยนะไอเจตนาไอความคิดแบบนี้ก็ไม่มีเจตสิกก็อย่างที่ว่าไม่เคยเกิดเลยแสดงว่าศีล น, นี่ห่องออกให้สังเวชถือว่าโอ้โหทำไมเรานี่ยากจนแท้เป็นทุกขตะเข็นใจในวินัยของพระอริยเจ้าว่างะ นะปนปณิตศีนอย่างสุดท้ายนี่คือของพระโพธิสัตว์ท่านนะนะของเราว่าโพธิสัตว์เหมือนกันนะสาวกสาวกะนะเียกบาลีหนะ่อยสาวกโพธิสัตว์ต่อไปนะติกะที่สองเมื่อกี้ติกะที่หนึ่งเนี่ยนะขยายไปเป็นสี่ใน ติกะนี่ก็ยังยากแล้วนะอย่างเลวอย่างปานกลางอย่างปณีนิก็ขยายไปอีกสกลุ่มต่อไปติกะที่สองศีลจัดว่ามีสมอย่างโดยเกี่ยวกับเป็นอัตราที่ปฏตยศีลเป็นต้นอย่างนี้คือศีลที่บุคคลผู้ต้องการความปรับพฤติที่ไม่สมควรแก่ตนต้องการละความประพฤติ ท, ที่ไม่สมควรแก่ตนมีตนเป็นที่เคารพมีตนเป็นอธิบดีมีตนเป็นใหญ่เนี่ยนะ ทำตนเนี่ยให้เป็นไปหรือว่าทําศีลให้เป็นไปเพราะความเคารพตนอย่างนี้ชื่อว่าอัตตาที่ปฏายศีลคนนี้มีฮิริแรงกล้า ม, มาก น, นะเพราะว่าฮิรินี้เคารพตนนะถ้าโอตะปะเคารพผู้อื่นอันคนที่ฮิริสูงมากเขาก็สามารถที่จะรักษาศีลอันนี้ได้ศีลที่ปรารบตนเองเป็นหลักเลยนะ อาศัยความเคารพตนความนับถือตนก็ทําให้รักษาศีลอย่างนี้ชื่อว่าอัตตาที่ปไตยศีลนะ น, นส่วนศีลที่บุคคลผู้ต้องการหลีกเลี่ยงคํากล่าวหาของชาวโลกว่างั้นะมีชาวโลกเป็นที่เคารพทําให้เป็นไปเพราะความเคารพในชาวโลกนี้ชื่อว่าโลกาที่ปไตยศีลคนที่ปรารบชาวโลกนี้เป็นศีลประเภท ที่มีโอตต ป, ปะเป็นเป็นใหญ่แต่นะอัตตาที่ปไตยศีนมีหิริเป็นใหญ่โลกาที่ปไตยศีนมีโอตต ป, ปะเป็นใหญ่ส่วนศีนผู้ต้องการบูชาความยิ่งใหญ่แห่งพระธรรมมีพระธรรมเป็นที่เคารพทมพระธรรมนี้ให้เป็นไปเพราะความเคารพในพระธรรมชื่อว่ารรมาที่ปไตยศีน เขาบอกว่าธรรมดาธรรมนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่จะเคารพธรรมะเนี่ยนะเขาบอกว่าธรรมะนี้มีอนุภาพมากธรรมะนี้เป็นนิยานิกธรรมเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยส่วนเดียวธรรมะนี้น่าเคารพน่ายกย่องเพราะฉะนั้นเคารพรักษาศีลปฏิบัติเพื่อบูชาธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมาที่ปไตยศีลอานยะนี้ท่านเอาจากข้อความในติกานิบาตอังคุตรานิกายนี่นะ ฟังสูตรนี้ดีเหมือนกันนะทให้เรามีอุบายมีวิธีการที่จะรักษาศีลได้ข้อความในอธิปตัยยสูตรนะนะว่าด้วยอธิปตยยสามอธิบดีสามอธิปตัยยเนี่ยนะดูกอพิสูจ์ทั้งหลายอธิปตัยยสามนี้สมคืออะไรคืออัตราธิ่ปตัยเนี่ยนะเนะขาบอกว่าทำตนให้เป็นใหญ่อธิปตัยเนี่ยความเป็นใหญ่เนี่ยนะ คนหนึ่งก็คือทําตนให้เป็นใหญ่เรียกว่าอัตาตาธิปไตยโลกาทิปไตยก็คือทําชาวโลกให้เป็นใหญ่แล้วก็ธรรมมาธิปไตยทําโลกุตระทำก้าวให้เป็นใหญ่เห็นไหมทำโลกุตระทำก้าวให้เป็นใหญ่ชื่อว่าธรรมมาธิปไตยนไอัตาตาธิปไตยของเรากับของท่านเหมือนกันหรือเปล่าโอ้ยคนนี้มีอัตตามากรักษาศีลด้วยอัตตาทั้งนั้นแหละ กับอัตตาของเรากับของท่านเหมือนกันไหมเอออัตตาของเรากับของท่านบางทีไม่เหมือนกันน ะ, ะคําว่าอัตตาในที่นี้ก็คือตนเองนั่นเองเนี่ยนะความเคารพตนนะฟังดูนะว่าอัตาตาธิปไตยะคือมีตนเป็นใหญ่กับของท่านเนี่ยนะอัตตาของท่านเนี่ยแตกต่างกันนะฟังดูก็อัตาตาธีปไตยเนี่ยเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอนะ กลาวถึงพระพิสุรูปหนึ่ง น, นะนะท่านอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพระพิสุนี้ภาพของท่านจะออกมาในลักษณะผู้ที่เป็นคนประเภทกายวิเวกซะส่วนใหญ่เหอยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าก็เราออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ไม่ใช่เพื่อจีวรมิใช่เพื่อบินธบาตมิใช่เพื่อเสนาสนะเออที่บวชมาทุกวันเนี่ยนะไม่ได้บวชมาหาจีวรหาอาหารหากุฏิที่อยู่อาศัยนะแล้วก็มิใช่เพื่อปรารถนาพบในอนาคตท่านใช้ว่าเพื่อความมีและความไม่มีอย่างนั้นคือที่บวชมาไม่ได้บวชมาเพราะปรารถนาพบในอนาคต เกิดชาติหน้าจะได้เกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นก็ไม่ได้ปรารถนาแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งปัจจุบันภพนี้ต้องการชื่อเสียงสาการะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ก็หาไม่เหมงั้นเลยที่แท้เราเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่ถูกชาติครอบงำ嘛นะมีความชราความชราครอบงํามีความตายครอบงํา ท่วมทับมีความเศร้าโศกความคร่ำครวญความไม่สบายกายความเสียใจความขับแค้นใจครอบงำแล้วคือคนที่ถูกชาติชราพยาธิมรณะโศกกาปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาตครอบงำเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ตกอยู่ในกองทุกมีความทุกท่วมทับแล้วก็เลยคิดว่าด้วยการบวชนี้แลลางทีความธรรมที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลอกองทุกทั้งมวลในที่นี้ก็คือ การทำที่สุดแห่งวัตถุทุกทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏแก่เราได้ก็เลเราละทิ้งกามอย่างใดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วจะมาสแสวงหากามอย่างนั้นหรือกรมที่เลวยิ่งกว่านั้นนั่นไม่สมควรแก่เราภิกษุนั้นจึงตกลงใจอย่างนี้ว่าความเพียรเราต้องทำไม่ย่อหย่อนสติ ต้องตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนอนะสติปัญสีต้องมั่นกายต้องระงับไม่กระสับกระส่ายทั้งนามกายและก ร, ะรัชกายทั้งรูปร่างกายด้วยทั้งนามกายได้แก่เจตสิกทั้งหลายนั่นแหละจะต้องไม่กระสับกระส่ายจิตต้องเป็นสมาธิแน่แน่คือตั้งไว้ด้วยดีในอารมณ์ดังนี้เธอทําตนเองให้เป็นอธิปไตยละอากุศลบําเพ็กุศล ละธรรมะที่มีโทษบำเพ็ญธรรมะที่ไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดได้นี่ภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าอัตตาที่ประไตะ่คือคือเขาอาศัยความเคารพตัวเองเป็นหลักเนี่ยนะแล้วก็ปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คนอย่างนี้เรียกว่าอัตตาที่ประไตยอัตตาในที่นี้ไม่ใช่ที่ถี่นะเพราะคำว่าอัตตานี่กว้างนะ สับว่าอัตตาใช่เฉยอัตตาใช่เฉยแปลว่าตนคาว่าตนนั้นถ้าประกอบกับทิฏฐิได้ว่าอัตานุทิฏฐิถ้าอัตานุทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิที่สําคัญว่าเป็นอัตตาแต่อัตตาในที่นี้ก็คือหมายถึงตัวเราเองเนี่ยนะชีวิตของเราหรือว่าคําว่าอัตตาบางแห่งก็หมายถึงอัตภาพบางแห่งก็หมายถึงจิตเนี่ยนะเช่นมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งหรือบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน เพราะฉะนั้นตนที่นั้นก็คือหมายถึงจิตหรือหมายถึงอัตภาพของเรานี่แหละเอาตัวเองเป็นหลักว่างั้นเถอะแล้วก็ปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้เ้าเรียกว่าอัตตาทิปไตยมีอัตตาเป็นใหญ่คือมีตัวเองเป็นหลักะนะมีตัวเองเป็นใหญ่ก็โลกาทิปไตนี้เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตมิใช่เพื่อจีวนมิใช่เพื่อบินธบาตมิใช่เพื่อเสนาสนะมิใช่เพื่ อ, อมิใช่เสนาสนะเป็นเหตุมิใช่เพื่อความมีและความไม่มีคือไม่ได้บวชเพื่อปรารถนาพบที่แท้เราเป็นผู้มีอันความเกิด ความแก่ความตายความเศร้าโศกความครําครวนความทุกข์ทางกายความเสียใจความคับแค้นใจครอบงำตกอยู่ในกองทุกขมีความทุกข์ท่วมทับแล้วก็เลยคิดว่าด้วยการบวชนี้ลางทีความธรรมที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏได้ก็แลราบวชอยู่อย่างนี้จะมาตรึกกรมมวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก โลกสันนิวาตนี้ใหญ่นะก็ในโลกสันนิวาตนี้สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มีที่จจกสุรู้จิตของคนอื่นได้มีอยู่เอ้ยบวชเข้ามาแล้วมาปล่อยให้ใจเป็นไปกับการมวิตกพยาบาท ว, วิตกวิตกวิหิงสาวิตกในได้ยังไงใช่ไหมพวกคนที่มีตาทิพรู้ว่าและจิตคนอื่นก็มีนะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเห็นไปได้ไกลด้วย ท่านเข้ามาใกล้ก็ไม่เห็นตัวด้วยถ้าเป็นพระสมัยก่อนเนี่ยนะกําลังเจริญกรรมาฐานปลจิตให้เป็นอกุศลเนี่ยแล้วพระโมกขาลานะหายตัวมายืนดูอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะ oh, <yeah. S 1> ขำนึงนนะ <laughs> พระโมกขาลานะบอกโอ้ยผมไม่นั่งดูอยู่ตั้งนานอย่างเงี้ยนะ <laughs> แย่แน่นะเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นท่านเข้ามาใกล้ตัวก็ไม่เห็นด้วยท่านรู้จิตของผู้อื่นด้วยจิตของท่านด้วยอ่านะ ท่านเหล่านั้นจะพึงรู้จากเราอย่างนี้ว่ากุลบุตรผู้นี้เนะดูกุลบุตรผู้นี้สิท่านผู้เจริญทั้งหลายเนี่ยเรียกเรียกคนที่มีตาทิพย์ด้วยกันนะะมาดูกุลบุตรผู้นี้สิเขาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาแล้วยังวุ่นอยู่ด้วยธรรมะที่เป็นบาปอากุศลอยู่เหมงอนกันเนี่ยคล้ายกับพระอริยเจ้าหรือคนที่มีฤทธิ์ทั้งหลายเขามาดูโอ้ยมีศรัทธาบวชนะแต่ว่าแหมเสียดายหลังจากบวชมาแล้วสิ ใจไม่ใช่นักบวชเลยเหมือนกันแม้เทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มีที่พจักสุรู้จิตของผู้อื่นได้ก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นเห็นไปได้ไกลด้วยเข้ามาใกล้ก็ไม่เห็นตัวด้วยรู้จิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนด้วยแม้เทวดาเหล่านั้นก็จะพึงรู้จักเราอย่างนี้ว่าดูกุ่บุตรผู้นี้สิท่านผู้เจริญทั้งหลาย เธอออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยสาธาแล้วยังวุ่นด้วยธรรมะอันเป็นบาปอกุศลอยู่เนี่ยนะหรือว่านั่งจิตเป็นอกุศลอยู่เนี่ยนะพระเจ้าพิมพิาสารซึ่งเป็นเสนาบดียักษ์มาดูใกล้ๆโอ้ยภิกษุรูปนี้ไม่เหมือนสมัยพุท ธ, ธกาลเลยอย่างนั้นนะหรือว่าเท้าจาตุมมหาราชดาวดึงเนี่ยมาดูสังเวชใจเนะกุลบุตรสมัยนี้นะอันคงสลดหน้าดูเลยหรือว่าเทา้าสกะ สมัยพุทธกาลไม่เห็นเป็นอย่างนี้มั้งนั่นสูงขึ้นไปนะเท้าสุยามหรือว่าเลยไปจนถึงดุสิตเนี่ยนะอนาถบินทิกะโอ้ยวัดตะเชตวันไม่มีวิสู่แบบนี้อยู่เลยสมัยนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ น, นะหรือว่าถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยนิมมานารดีใช่ไหมนางวิสาขาอยู่นิมมานารดีเนี่ยนางวิสาขามาดูโอ้ยคงอยากขำเลยนาะท่านคงคิดดูนะถ้าหากว่าพระอริยเจ้าเหล่านั้นท่านเห็นเราเนี่ยนะท่านจะมูทิตาหรือท่านจะเจริญ กรุณากะเรานะเราเป็นอารัมมณะปัจจัยแบบไหนของท่านผู้ ก, การลองคิดดูนะจะเป็นอารัมมณะปัจจัยของมู้ที่ตาหรือกรุณาดิกรุณานอะขนาดตัวเราเองยังคิดว่าท่านคงกรุณาเราเนอะแสดงว่าน่าดูมกันนะหรือว่าสูงไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะพรมนี่นะพรมที่เป็นพระอริยเจ้าพรมที่เป็นอนาคามีเนี่ยนะ พรหมชั้นสุดท้าวว่ที่เป็นพระอนาคามีทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาเนี่ยนะสมัยก่อนที่เป็นพระอนาคามีตาและเกิดในสุท้าววา่เพราะฉะนั้นพรหมชั้นสุท้าวว่าเหล่านั้นเนี่ยท่านเห็นเราเนี่ยท่านจะคิดยังไงนะกําลังคิดนีเออเนี่ ย, ออยถ้าปารลแบบนี้ดูสิเราะว่างั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายกดูกุลบรผู้นี้สิเธอออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตด้วยศรัทธาแลว้วยังวุ่นด้วยธรรมะอันเป็นบาปอากุศลอยู่ อาศัยคิดแบบนี้บ่อยๆขยันคิดลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าโลกาทิปไตย